ทำมาขุดทุกวันทุกวันเนี่ยตาวจะนําทําอะไรมาขูดถูกรปังคนที่ปังทุกวันก็คงจะเบื่อเหมือนอาหารเนี่ยถึงอาหารจะอร่อยขนาดไหนแต่ทานทุกวันทุกวันไปเปลี่ยนอาหารก็รู้สึกว่าเบื่อเรื่องมนุษย์เราเป็นทุกอยหญ่ไหนว่าตาหัจะหมูเลิ้นกายใจ มันเปลี่ยนได้อิ่มได้เบื่อได้ต า, าที่เคดูหูที่เคฟังแต่คนที่เคเห็นใหม่ก็พอใจพอใจดูยินใหม่ก็พ อ, อใจฟังแต่คนที่เคยฟังอยู่เรื่อยเห็นอยู่เรื่อยก็เบื่อเหมือนพวกคนในเมืองวัตถุก่อสร้างต่างๆเห็นทุกวันทุกวันก็ไม่อยากดูกัน จยากไปดูป่าดูเขาคนที่อยู่ป่าอยู่เขาแต่วันเกิดมาก็อยากจะไปดูบ้านดูเมืองกันมันเป็ทนทรรมนอง น, นั้นเร <c ười> ื่งาาองธรรมะใจของตัวไม่รู้ไม่ต่อใจในเรื่องของธรรมะเาะบางอย า, าอกเบื่อพอเอ่ยธรรมะขึ้นไม่เศร้ามันหง่วงเหงาห้านอนเหน็ดเหนื่อยเหดดนื่อยหิวทุกอย่างเพรวันซื่อ ต่อจลิตนใี่ใสการคุยกันธรรมดามันเป็นอีกแบบการฟังธรรมะเงียบสงบมันเป็นไปนอีกแบบว่จิตไม่เคยจิตเคยปรุงเรื่องของธรรมะแล้วการฟังธรรมะมัมีระเบียบเหมือ น, นคุยกันธรรมดาฉะนั้นเรื่องธรรมะคนจิตไหมชอบธรรมะมยินดีธรรมะถึงเบื่อไม่อยากเขวัดเขววะ ไปหาพระหาเจ้าหมา่มีอิสระนังก่อนหนังมีระเบียบพู้มีระเบีย บ, เ, บ, ยบเลยทำให้คนเบื่อไปถ้าคนมีธรรมะคนสอบธรรมะมันเบื่อไม่เป็ น, นรถของธรรมท่านว่าชนะรถถั่วไปรถอะไรจะประเสริฐวิเศษเท่ากับรถของธรรมไม่มีแต่สำหรับคนที่มีจิตใข่ในธรรมถึงจะ ดื่มรสของธรรมได้คนจิตนี้จิตสัมผัสเรื่องของธรรมเอยธรรมะขึ้นรู้สึกว่ามันไม่พอใจเห็ดเหนื่อยเหมือนหิวเราก็จะต้องสังเกตตัวเองว่าเรานี้โลกมากด้วยธรรมมากในตัวของเราแตาธรรมมากก็เอวยปากเรื่องของธรรมะรู้สึกจิตใจยินแย้แมแจ่มใสจิตใจรับอยากจะสะดับรับฟัง ถ้าาโลกมากจิตไมสัมผัสกับธรรมะจิตมีชีเลตันหาจิตเดินออกหมอกธรรมะพอเอื้เรื่องธรรมะขึ้นมันงดหนิดไม่เต็มใจที่จะสหรับเล่าฟังมันเป็นหรือกันทุกสนหน้าเรื่องความพอใจจึงเป็นเรื่องสําคัญความพอใจนั้นพอใจใ น, น ด่านต่ําด้านชั่วด้านเสียเขาก็พยายามบึกบืนเพราะความพอใจของเขามีเป็นพวกโจรพวกขโมยถึงลำบากเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวไม่ได้รับได้นอนเมื่อดากลมตาเขาอู่สาไปหาลักหาขโมยคนอื่นทุกอยากลําบากขนาดไหนบึกบืนไปแต่ยังให้ทํางานทําการสุจริตเขาทํำได้เพราะความพอใจ เรื่องความพอใจจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องพอใจในธรรมะนั้นก่อทำนองเดียวกันสมัยพุทธกาลท่านที่เป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีมั่งมีต้มบททัตรชัดฉานไม่ว่าการสเสวยการรับทานการนั่งการนอนที่พักาอาศัยอะไรทุกอย่างพวกเหล่านั้นสมบูรณ์พูนสุข ตามโลกพขนิยมแต่เมื่อใจยินดีเดือมใสในธรรมะไปปฏิบัติธรรมะอยู่ป่าอยู่โคนไม้รับทานอะไรของชาวป่านี่อะไรเขาให้มาก็าทานกันแต่ท่านก็เต็มใจพอใจแล้วเปล่งอุทานก็ถูกหนอถุกหนอ้หนอพอใจท่านสุกใจทันชอบพวกเราท่านหากเป็นอย่างนั้นความสุขความสบายของใจก็เกิดขึ้น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 ใจก็ม่ได้คิดในกรุงและทางนอกนี่ใจจะกำหนดบทอัธรรมต่างๆให้จิตสงบวงรวมนี่เป็นเรื่องผู้ทิิฝึกอบรวมตัวให้ต่อธรรมะยอมได้รับทาราประโยชน์อย่างนั้นป่าจิงเป็นที่อบรมป่าจึงเป็นที่เป็นสถานที่ศึกษาของนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าเองศัตรูในป่าสัวกโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ในป่า เป็นทีภาวนาเป็นที่ศึกษาเป็นที่ผลทุก์แต่คนธรรมดากิเลสนาสามัญชนทั่วไปกลัวป่ากลัวความมืดกลัวความเงียบสงัดโรงหนังโรงละครอยู่ที่ใดอัดแอร์ขนาดไหนทุกอย่างลำบากใจเขาก็ไปดูกันไ่ตรงเชื่อเชิญทั้งเสียแตางค์ด้วยก็ยังยินดีพอใจไปนี่คือใจ องผู้ตุชนธรร ม, มดามักไหลไปในแง่นั้นแต่พระอริยะเจ้าหรือโยคาไปจรณทั่วไปท่านตหนิสถานที่วุ่นวายสถานที่ผัดคล้องสถานที่เอิบกระเลอะเนื้พอรบกวนจิตใจของท่านจะพิจารณาอะไรอัดทำทีละเอียดอ่อนถ้ามีเสียงรบกวนหรือมีเรื่องราววุ่นวายย่อมพิจารณาได้ยากนี่สถานที่ในป่า เ็นวัดป่าเป็นต้นเรื่องวุ่นวายต่างๆไม่ค่อยมีนอกจากจิตใจของตัวจะไปวุ่นวายเกี่ยวข้องผู้มีสติมีปัญญาก็หกห้ามไม่ให้จิตใจพุ่งพุ่งออกไปทางนอกเพราะระยะเวลาที่มาบวชเป็นพระเป็นเนนตลอดถึงมาอบรมศึกษาทักผ่อนทางจิตใจก็ควรจะมีสติ มีปัญญาแนสอนตัวข้องตัวระยะนี้อยู่ป่ารายานี้มาภาวนาสถานที่นี้เป็นสถานที่สงบควรจะคิดปรุงในเรื่องเอกนอยเมื่อเราสอนตัวข้องตัวอย่างนั้นพยายามมีสติกำกับรักษาใจที่คิดใช้ต <c oughs> ิดตามสัญญารมต่างๆหักห้ามเอาไว้ไม่ให้คิดไม่ให้ปรุงไป กรรมฐานส่วนใดจิตครูอาจารย์แนะนหรือจิตใจเราชอบเราจะต้องหมั่นกำหนดหมั่นบริกรรมกรรมฐานอันนั้นจนจิตใจได้รับความสว่างสวัยจิตใจลงรวมสงบเงียบนี่คือการฝึกักจิตทักใจของตัวใจด้ยมากไม่เคยได้พักมีแต่คิดแต่ปรุงเรื่องต่างๆยังไม่มีกาลังที่จะตัดกิเลสตัณหาไม่รู้เห็น จริง ต, งต่างๆกามเป็นจริงไดง้เลือมหลงเรือเรียนไปต่างๆฉะนั้นในการฟังรร ม, มะสีสันแสดงก็พึงกำหนดจิตของตัวในอยู่ในตัวของตัวอย่าให้ฟุ่มๆฟจิตอ่านไปในเรื่องใหม่จะ ก, กำหนดบทบริกรรมพุทโธรลมหายใจได้ทท้งนั้นเพราะทุกอย่างถ้าหากจิตสัมผัส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 ปี่ประเสริฐิเศษก็คืออาหารด้านธรรมะธรรมะนั้นหากเราท่านได้กำหนดที่นิพจาณาอยู่เรื่อยๆใจไม่มีโอกาสกาเกี่ยวกับอารมณ์ทันยาภายนอกจิตจะค่อยรู้เห็นละเอียดอ่อนเข้าไปจนรวมรวมได้เมื่อจิตรวมรวมเห็นความสงบถูกภายในถอดถอนออกมาพิจารณาอะไรก็รเจ็มใสชัดเจน อย่าจิตที่ติตข้องต่างๆให้เบาบางหรือหลุดไปนี่การฝึกใจเพราะผู้ใเจ้าจหรือสาวกท่านก็เป็นคนธรรมดาผูทุชนเหมือนกันกับพวกเราในเมื่อท่านยังไม่ฝึกจิเลตันหากี่ปลาถะมีสมบูรณ์ด้วยกันไม่อย่างนั้นท่านก็ไม่เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจของจิเลตันหาําที่เคยทามา มีอยู่ในจิตในใจไม่หลุดพ้นไปจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ทราบเรื่องของจิเลตันหามานา้าชิตที่ต่างๆที่ทําให้จิตใจ <c oughs> ว่าวุ่นวุมัวต่างๆนั้นเราจะกาจัดโดยอุบายวิธีอันใดใจของเราจึงจะป่องใสจึงจะสงบสุขได้ท่านคิดทีนี้ที่จะได้นา จิตที่ปุ่งปรงไปตามเรื่องต่างๆภ า, า, ายนอกพอจิตลุ่มหลงพอจิตขาดปัญญาในทราบสิ่งนั้นตามเป็นจริงจึงหลุ่มหลง ม, มัวเมาเฝ้าฝันหากทราบตามเป็นจริงแล้วเรื่องจิตจะไปคิดปรุงอย่างนั้นก็โทษตัวเองว่าโง่มัวเมาหลุ่มหลงเสียหาย คนที่พยายามรักษาจิตด้วยสติมีปัญญาแน่สอนตัวจะไม่เผลอจิตครุงไปในทางชั่วเพราะเสิงหงนั้นนั้นท่านในพิ่น้พิจารณามาทุกระยะทุกเวลาจิตเคยเบื่อหน่ายเป็นบางการบางเวลาเมื่อมาฝึกอบรมมันเกิดปุ่งกรุงจิตนึกไปในเน่นั้นท่านจึงเสียใจว่าทำไมมันเผลอไปได้ มันหลงไปได้นี่พวกเราทั้งหลายอย่างไม่ละเอียดขนาดนั้นมันก็จะต้องทีนี้พิจรารณาหาทางปอดขอนจิตใจคลองตัวที่เกี่ยวข้องทางพิจรารณาผู้ที่เป็นพระเป็นเนนเป็นนักบวชอุปชาอาจารย์ทา่านสอนกรรมฐานให้เพื่อเป็นอาวุธลบกับกิเลสตัณหาภายในใจคลองตัวอย่างสอนกรรมฐานทั้งห้า หรือมูลกรรมฐานซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราท่านเยสาโลมานะขาทันตาแตโจนี่เป็นภาษาบาลีภาษาไทยเราก็ผมขนเละบฟันหนังกรรมฐานห้าอย่างนี้มองเห็นได้ด้วยตาไปจากชัดเจนแต่เราไม่ได้พิพจรารณาว่าจริงเหล่านั้นมันเป็นจริงอย่างไรใจก็เลยลืมเลยหลงเพราะโลกส่วนใหญ่คนิยมชม ช, มชอบว่ามันสวยมันงาม มันดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลงกันไปเมื่อพิจารณาด้วยใจจริงด้วยอาจทธรรมสิ่งนั้นนั้นมันเป็นของปิดจีคูลไม่ใช่ของสวยสดงดงามอะไรการพิจรารณาสมาธฐานทั้งห้าก็ถูกตามหลักสติปัฏฐานที่ท่านสอนเอาไว้แตพิจ า, จารณากายเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกายแต่เป็นส่วนเอกเทศ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 หากเราไม่พิจารณาหน่วยใจเป็นธรรมก็ไม่ทราบกายของเรานี้ s โผลกยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปหมูดขูดทีไหลออกนี่อะไรรองรับต่างๆปิน่นเน่าจีนเหม็นมันออกจากกายทางนั้นไม่ใช่ออกไปจากที่อื่นกายของเราทั่วไปเป็นของโผล ก, กอาศัยชำระสะสารอาศั ย, อ า, ศยอาบน้ําอยู่ทุกวันไม่อย่างนั้นโกเมน สาบเหม็นโขงสิ่งที่เกี่ยวข้องเป็นต่วนตบองจีวรเสื้อผ้าต่างๆนุ่งห่มไปไม่นานถึงของนั้นจะสะอาดสวยงามขนาดไหนเมื่อมาเกี่ยวข้องกับกายถึงเป็นของสกรปกกรกพอสกปรกไปด้วยมีกิ่นเหม็นขึ้นด้วยควรจะพินิจพจารณาเพราะผมเราก็เห็นด้วยตาขนเราก็เห็นด้วยตาเล็บงอกออกไปก็เหมือนกันนังนคองอกออกไปจากเอาไวะ้ยวํามือเท้าของเรา ถึงไปองสปกปรกควันก็เน่าก็เหม็นทาไมตาระแต่ละวันสองวันจะต้องมีกินขึ้นในปากนี่เรามองไม่เห็นไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นก็เลยถือว่าผมงามขนงามเล็บงามฟันงามก็ตกแต่งจึงพอดูกันได้ทําไมตกแต่งปล่อยไว้ธรรมดามันก็สปกปรกแม้ตกแต่งรักษาขนาดนั้นมันก็ยังสกปรกอยู่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 เกิดเชินไปในการมจิเลศยิ่งเข้าใจไปจากเห็นชัดเท่าไรใจจะยิ่งเบื่อหน่ายในเรื่องของกายดื้อไปในสมัยพุทธกาลจนขาดตัวตายก็มีเพราะเห็นกายของตัวเป็นของปฏิกูลท่านไม่ได้เห็นยิวหนังภายนอกเหมือนพวกเราเห็นพอท่านหลับตาหรือกำหนดที่เจรณญนมันเลยหนังเข้าไปเห็นเนื้อเอ็นกระดูก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 เมื่อเห็นตามเป็นจริง้อใจตามเป็นจริงแล้วจิตจะเบื่อหน่ายไม่กำหนัดไม่ยินดีไม่เต็มใจในเรื่องของกายไม่หลงไหลเพิดเพลินในเรื่องของกายเมื่อจิตไม่เกี่ยวขวงกับเรื่องของกายเห็นกายเป็นของประจิคูลอย่างนั้นไปสถานที่ดใดใครสมรักที่จะไปติดข้องกำหนัดสัพชัดกับคนมันหมดไป เมื่อมันหมดไปไม่มีภัยทางความรักความเียดทางต่างๆมันกตกคอยตกไปด้วยเพราะราคะปฏิกะมันอยู่ด้วยกันมันเกิดจากจิตอันเดียวกันไม่ได้เกิดจากที่อื่นเมื่อราคะตกไปปฏิกะความหหุดหงิดทางใจก็ตกไปด้วยแต่ผู้ที่จะปฏิบัติได้ถึงหมดราคะปฏิกะก็เป็นพระที่น้ากราบหน้าไหวหน้าบูชา แต่ก็ไม่เหลือวิสัยเบื้องตอนท่านก็มีราคะปคจิคะมีกิเลสตัญหาสมบูรณ์เหมือนพวกเราโดยอำนาจไม่ประมาทที่นี้พิจารณาอาัจทำที่ครูบาอาจารย์แนะนนนำไปข่นคิดพิจรารณาจริงจังให้เห็นให้เข้าใจมากกละกว่าวางก็ปล่อยถิ้งไปได้นี่พวกเราทั้งหลายอยากสุขอยากสบายก็พากันประพฤติปฏิบัติ กำหนดอาจทำติพระพุทธเจ้าแนี้สอนเพราะทำนั้นไม่ได้หนีไปจากกายจากจิตนี่อยู่ในกายในจิตเท่านี้กูหลุมหลงจริงจังตัวเหตุใหญ่กว่าคือจิตไปจิตไปคล่องไปหมันไปไม้ว่ายญิงว่าชายว่าหนุ่มว่าสาวต่างๆไม่ได้ทิจยรนะในทางที่จะแก้ไขจิตใจให้รู้เห็นตามเป็นจริงคือว่าตายนี้ประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่ ยินน้ําลมไฟไม่มีอะไรผิดผิดแต่แตกต่างกันจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลกว่าเป็นเรื่องสมมุติส่วนนั้นนเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรผมขนแล้วฟันแล้วก่อสมมติเอาเขาไม่ว่าเขาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเราจะเรียกอันใหม่เขาก็ไม่มีการเสียใจดีใจเรื่องของจิตถ้าหาที่นิพพิจารณาตามเรื่องของธรรมะ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 ที่นี่รณาติดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เข้าใจว่าท่านสอนจริงไม่มีสิ่งใดที่จแย้งเพราะจิตของเราเห็นจริงตามคำสอนของท่านก็ของจริงมันมีอยู่อย่างไรที่เจรน า, าลงไปมันก็เห็นเพราะมันมีอยู่ถ้ามันไม่มีมันก็ไม่เห็นเพราะมันมีอยู่จึงเห็นของสิควรละได้ปล่อยได้วางได้มันก็ปล่อยก็วาง าหากมันเห็นเป็นใครอันตรายแต่ตัวของตัวแล้วมันไม่ยึดไม่ถือไม่แบกไม่หามเอาไว้นี่ใจของพวกเราท่านหา่างธรรมะไม่ได้พี่นพิจารณาอย่างนั้นจึงยึดถือถาดขันว่าเร า, า, า, า, า, า, า, า, า, าว่าเขาโกรธเกลียดต่างๆเกิดขึ้นจากความยึดถือหากพี่นี้พิจารณาตามสภาวะธรรมจริงจังมันจะรู้เห็นปล่อยวาง ไม่ยึดไม่ขวางไม่ติดเรื่องของจิตเป็นเรื่องสำราญได้ถ้าสํราญไม่ได้ก็ไม่มีใครที่จะเป็นคนดีวิเศษได้ความดีทางศาสนาถือเอาจิตไม่ถือเอาเรื่องของกายความรู้ของศาสนาถือเอาจิตทีรู้ที่เห็นไม่ถือเอาสัญญาความจำมา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 าการปฏิบัติบ่งบอกอยู่จิตเสื่อมจิตเจริญภาพในขั้นปฏิบัติแต่ทุกคนที่ไหม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ว่ามันเสื่อมเพราะเหตุใดมันเจริญเพราะเหตุใดลุ่มหลงเลื่อยไปมืดกระทั่งวันตายนี่คือคนไหม่ปฏิบัติธรรมะคนปฏิบัติธรรมะย่อมมีมืดมีสว่างมีเสื่อมมีเจริญมีได้มีเสีย ระยะปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนั้นต่อมาเมื่อปฏิบัติเคยเห็นเคยเป็นไปจากชาชัดเจนในใจจิตอยากจิตละเอียดอย่างไรเคยผ่านมาก็ไม่ตื่นเต้นหลงไหลตามความเป็นไปเหล่านั้นเพราะเคยละเอียดเข้าใจไหวที้ละเอียดตัณหาอะไรจะมาเกี่ยวข้องในใจไม่ได้แล้วก็เสื่อมไป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 ปฏิบัติเข้าไปจนถึงจุดจบของกิตเป็นอย่างไรผู้ปฏิบัติจะรู้เห็นจะเข้าใจว่าสิ่งทั่วไปเรื่องสมมุติไม่มีวันเวลาที่จะไปทําความบริสุทธิ์ความหนุดออกจากกิเลสให้มัเกี่ยวขอ้องนั่นหมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างทั่วไปว่าปฏิบัติไปอีกจะมีเสื่อมมีเจริญหรือไม่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 มีการเสื่อมการเจริญอีกอย่างไรนี่คือที่สุดในการประพฤติปฏิบัติด้านจิตใจของตัวผูดถึงที่สุดอย่างนั้นท่านสุขท่านสบายเพราะไม่ได้จะคุกงาไม่มีอะไรจะไปรบกวนความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นไม่มีการเข้ากานออกเพราะไม่ใช่เรื่องของมรร เป็นผลมื่อมันเต็มที่มันจะเป้นไปเรื่องเหล่านี้ก็ไม่มีอยู่ที่อื่นนี่อยู่ในใจของเราถ้าเราทำเรื่อยๆไปปฏิบัติเรื่อยๆไปจะประสบพบเห็นไม่ใช่ว่ามันจะเป็นคนจิตเล็ดหนาปัญญาเทืออยู่เรื่อยไปมันจะมีวันเวลาประสบพบเห็นมีวันเวลาที่จะได้รับ ความสุขความสบายอย่างนั้นถ้าลงมือปฏิบัติในถอดทุเละทำจริงทำจังแล้วจะต้องเห็นเด่นชัดเมื่อยังไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นก็ตั้งหน้าปฏิบัติเลื่อยไปความเป็นข้องใจก็เหมือนผ ล, ลไม้เมื่อมันยังอ่อนยังเด็ดอยู่มันก็รสหนึ่งเมื่อมันสุกแล้วไม่ต้องไปหาผลไม้ที่มันหวานไม่ต้องไปหาน้าอ้อยน้าตาลมาจากที่ไหน ม, มันก็หวานสุดเองความหวานของมันมันเกิดขึ้นจากที่ฝาดๆเปรี้ยวๆมันหวานขสุดจิตใจของพวกเราท่านก็ทํานองเดียวกันทําบริสุทธิ์เป็นอย่างไรขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปอย่าทอดทุเละอย่าทอดถอยอย่าไปตะคุบเรื่องเสื่อมเรื่องเจริญต่างๆหน้าที่ปฏิบัติปฏิบัติไปเมื่อถึงทำหลุดพ้นเป็นอย่างไรก็ไม่มีทางสงสัยในตัวเอง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 ขอทุกท่านจงหมั่นที่นีพิ่เจนะศึกษาประพฤติปฏิบัติอย่าไปประพฤติปฏิบัติที่อื่นการประพฤติปฏิบัติคนดีอย่าไปคิดที่อื่นอย่าไปดูที่อื่นดูตัวข้องตัวเพราะก่อนข้องกายนี่ก็เป็นก่อนธรรมะแต่ว่ารูปปัธรรมสามคิดปรุงต่างๆก็เป็นธรรมะคือเป็นนามธรรมถ้ามีสติมีปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในโลก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 งงาเง่าเต่าตุ่นโดยธรรมะสอบสืบโดยสติสี่คายโดยปัญญาให้เห็นเรื่องของกายตามเป็นจริงเรื่องของใจตามเป็นจริงแล้วมันจะปล่อยวางละถอนความจิตของต่างๆใจที่เคยแส่ใส่ไว้ตามเรื่องอารมณ์ทันญาจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวธรรมะ สอนคนให้เข้าสู่ความสงบแต่ที่นี้พิจรารณาจะกำหนดอะไรเมื่อใจสงบมันเหมือนกันหมดเมื่อใจหลุดพ้นมันเหมือนกันหมดไม่เป็นอื่นธรรมะถึงจะมีมากมายหลายหลวงตั้งแปด0มื่นสี่พันพระธรรมขันต์ก็สอนกายสอนใจพวกของพวกเราท่านให้ได้รับความสงบความพ้นทุกข์ไมไ่สอนไปที่อื่นเมื่อเราฝึก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 วิชาวิมุตตไม่ได้เพื่อได้ปล่อยนี่ปกติคนมีธรรมะไปสถานที่ใดจึงไม่ขาดทุนศุนกำไรไปสถานที่ใดสะดวกสบายแต่พวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นโดยส่วนใหญ่ก็เอาระยะเวลานั่งฟังเทศเอาเวลานั่งภาวนาเดินยงกลมเท่านั้นนอกจากนั้นก็ทรงกระเจะ แสจิตคิดปรงไปต่างๆว่าไม่ใช่นาที่ที่จะที่นี้พิจารณาธรรมะมันยังห่างยังไกลาจากธรรมะ้าใจเป็นอย่างนั้นยังไกลามากใจที่เข้าถึงธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นไม่ว่าอยู่อิรยาะบดได้ที่นี้พิจารณากายใจของตัวอยู่เสมอไม่ปล่อยปล่อยปล่าละเลยนี่คือผู้ที่มีธรรมะผู้ที่ถึงธรรมะสัมผัสอยู่แต่กับธรรมะ พิจารณาแต่เรื่องธรรมะเมือ่อพิจารณาธรรมะเรื่องกเกลียดตัญหาเรื่องความหลุ่มหลงต่างๆมันก็ตกออกไปเหมือนกันกับแสงไฟเราตามขึ้นเมือ่อใดความมืดมันก็หายไปตกไปถ้าเราไม่ตามไฟดับเมือ่อใดความมืดมันก็มืดเทึบเข้าไฟจึงเป็นข่าวสืบของความมืดแสงสว่างเป็นข่าวสืบของความมืด ผูพิจารณาธรรมะเป็นข่าวสืบของกิเลสตัณหาทํานองเดียวกันกิหลสจึงไ ม, มีวันเวลาที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องจิตใจยังมีอยู่ตอนใดถ้าผู้พิจารณาเรื่องของกิเลสตัณหาหนนั้นเพื่อจะทับไล่ให้หมดไปตกไปโดยอุบายวิธีต่างๆเมื่อเกิดปัญญาเห็นแจ้งขึ้น สิ่งที่เคยติตขว้องมันตกไปหายไปไม่มีการสงสัยถต่มันยังสงสัยอยู่ก็คือมันไม่รู้มันไม่เห็นเยังแต่รู้ยังไม่เห็นมันก็สงสัยเยังแต่เห็นยังไม่รู้มันก็สงสัยนี่การปฏิบัติใจทางรู้ทางเห็นมันจึงตกออกไปเกี่ยงความสงสัยต่างๆเมื่อมันตกออกไปใครเหล่าเป็นคนที่เจรณาบาคนนั้นแหละจะรู้ว่ามันตกออกไปไในใ่คนอื่นมาบอกให้ เจ้าเป็นอันนั้นเจ้าเป็นอันนี้ดีวิเศษแล้วนะนั่นมันลมปากของคนอื่นถ้าหากันดีด้วยลมปากของคนอื่นเขาว่ากว่าไม่มีใครที่จะเป็นผุ้ทุชนคนหนาะผูดถึงโลกกว่าไม่มีใครที่จะอดยากยากจนเขาบอกว่าถ่าเป็นเศรษฐีเอานะมั่งมีเอานะบ่อเงินบ่อทองอยู่นั้นอยู่นี้เป็นของเจ้าภูเขาลูกนั้นเป็นทองเอานะภูเขาก็กลายเป็นทองขึ้น มันเป็นไปได้อย่างนั้นมันก็ไม่มีการลงมือปฏิบัติกันไม่มีการทํางานกันทามันดีด้วยลมปากแต่ก็เป็นผิดเป็นภัยมีอิทธิพลมากเหมือนกันเรื่องลมปากพอใจไม่รู้เห็นตามเป็นจริงเลยตะคุกแบบเขาเกาวตูดูมินแบบเข า, าเชิญไล่เสิญอย่างนั้นอย่างนี้เผิดเพลินลุ่มหลงไปตามลมปากของคนจนถึงกับเป็นบ้าเป็นบอไปกว่ามีนี่คือ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 ก็ไม่ควรเพิดเพลินหลุ่มหลงนั่นเขาเห็นมองเราในแง่ดีต่างหาตัวของเรายังชั่ว ย, ยังเสียอยู่ละอายใจควรจะปฏิบัติแก้ไขให้ตัวของตัวดีอย่างเพราะว่าก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายได้ยินการจำนี่ก็ดูตัวของตัวได้ยินการชมเชยสรรเสริญก็ดูตัวของตัวให้เป็นธรรมอยู่สม่ำเสมอคนนั้น ไม่หวั่นไหวจิตใจตั้งมัน่นไม่มีการเสียหายนี่เป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะขาดธรรมะเพราะไม่ได้ที่นิจนารณาตัวเองเขาว่าชั่วกว่าเสียใจเขาว่าดีกว่าดีใจท่านที่ตัวไม่ดีอย่างเขาว่าท่านที่ตัวไม่ชั่วอย่างเขาว่านี่คือจิตไม่มีรากฐานมั่นคงในทางธรรมะท่านจึงฝึกให้ฝึกอบรมให้จิตรู้เห็นเหตุผลต่าง ให้จิตตั้งมั่นเข้าใจตามเป็นจริงเหมารู้เหมอเห็นเรื่องของตัวอยู่ทุกระยะเวลามันก็ไม่ตะคุกเงาคือไม่ติดตามลมปากของเขาเราคอยเฉยอยู่เขาหวาดีเราไม่ดีนะขี่ของเราจะปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติไปเขาว่าชั่วว่าเสียแต่เราไม่มีชั่วมีเสียอะไรนั่นเป็นลมปากของเขาเรากาเฉยจสะดวกสบาย ธรรมะเป็นเรื่องความจัดความลุ่มหลงคล้องใจอย่างนี้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมะจึงมีความสุขความสบายอยู่ทุกระยะเวลาแต่นั้นพวกเราท่านเมื่อใดสดับเล้าฟังธรรมะก็จงนำไปพิจิตพิจรารณาฝึกกายบายาจใจของตนต่อจากนั้นก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาเอวัง